นี่ติดตามทุกท่านเนาะยามเช้าเช้าวันนี้ก็ถือว่าเป็นมันพระนะขึ้นสิบห้าคำเดินสิทธิ์ถ้าทามประเพณีทางอีสานก็จะถือว่าเป็นมันมันาสาบดาวเนาะไม่รู้ภาคอื่นก็ถือเหมือนกันหรือเปล่าแต่ก็จะมี ศาสตร์ไทยเหมือนกันนะศาสตร์จีนก็มีแต่บางทีวันก็อาจจะไม่ตรงกันแต่วันนี้ทางทางอีตาเราก็จะถือว่าเป็นเป็นบุญนบุญศาสตร์ศาสตร์าวเป็นบุญใหญ่ น, 52, นี่สิบสองของสิบสี่นะอยู่ในที่สิบสองบุญเงินสิบบุญกยายศาสตร์ก็จะเป็นบุญที่เราจะ มาทำให้กับพ่อแม่ญาติน้องที่ร้องรับเสียชีวิตไปใช่ไหมถ้าไปถ้าก็เราอยู่แถวแถบ้านเราก็จะไปทำบุญที่วัดเนะ่ตอนเช้าก็ไปทำบุญตักปาธตอนเทนก็อะไรเอาห่อข้าวน้อยหอข้าวใหญ่ใช่เอาไปถวายพระนะห่ขอข้าวน้อยเอาไปให้ พีใช่ไหมหออข้าวใหญ่ก็มาให้พระกนะ็เ่อว่าก็าเป็นการนำลึกถึงนํำลึกถึงยากิพี่น้องเราที่เสียชีวิตไปเนาะที่อาจจะตกทุกข์ได้ยากนะบางทีตามตำราเขาก็ว่าเป็นวันเหมือนวันพระเจ้าเปิดโลกนะเพราะว่าเปิดโลกคือให้นะให คนที่อยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งนะเปิดโลกจากที่นรกนะให้ขึ้นมาสู่โลกมนุษย์นะให้มาเจอให้มาเจอญาติพี่น้องให้มารับส่วนบุญนะเฉพาะวันนี้วันเดียวด้วยนะวันอื่นก็ปิดนะปิดประตูคล้ช้เปิเปดประตูโลกนะให้พบให้พบให้ขึ้นมารับส่วนบุญนะหลังจากนั้นก็ลงไปนะ ที่นรกเหมือนเดิมอันนี้เขาตามตำนานนะตามตาราเขาก็เขียนไว้อย่างนั้นแต่เราเองนะอาจจะไม่ได้ไปทำบุญที่วัดตามหมู่บ้านของเรานะแต่ีจริงเราจะทำบุญที่ไหนก็เราก็ทำได้ทุกที่นะแล้วก็อุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนให้ในทุกเวลานะไม่จะเป็นว่าต้องรอวันศา รอวันประเพณีรอโอกาสอะไรหรักนะเป็นตําราเขาว่าไว้ว่าเปิดแค่วันเดียวมารับส่วนบุญส่วนกุศลได้แค่วันเดียวนะีอันนั้นตําราที่หลังที่เขาเขียนมาแต่ที่จริงทุกครั้งที่เราทําบุญนะเราสามารถบุที่ส่วนบุญส่วนกุศลของเรานะให้กับแยกพี่น้องนะหรือขับพระสัตทั้งหลายก็ได้อย่างสมัยก่อนนะ พระเจ้าพิมพิสารท่านทำบุญนะสร้างวัดเวรุวันแต่พอทำบุญเสร็จนอนไม่หลับนะเหมือนมีผู้ผีปีศาจเลยมากวนทั้งคืนเ่ยนะท่านพระเจ้าพิมพิสารก็เลยไปถามพระพุเจ้าให้ทำไมทำไมมีทำไมเราทำบุญแล้วทำไมมีอะไรมารบกวนด้วยนะ่พะพุทธเจ้าก็บอกว่า คือที่จริงที่มารบกวนน่ยไม่ใช่คือเขามาเรียกร้องนะก็คือญาติของพระองค์นั่นแหล ะ, ะญาติของพระองค์นู่นอนหม่ตอไหม่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนนู่นนะก็เคยทําบุญร่วมกันนะพระเจ้าปิมมสารเคยให้ญาติเน่ะเป็นคนจัดเตรียมอาหารแต่ปรากฏว่ า, าญาติเน่ะน่ะเรียกว่าแอบแอบเอาอาหารบางส่วน ไปรับประทานก่อนที่จะถวายพคระนะก็เลยตายไปก็เกิดไปเป็นเะป็นพอพระเจ้าพิมีิารทาบุญในชาตินี้ญาติก็เลยแบบใช้มาเรียกร้องขอข อ, ขอแบ่งส่วนบุญสกุลบ้างนะจะได้แบบหายจากความหิวหายจากความทุกขนะ์อันนี้คือที่มานะที่เวลาเราทาบุญแล้วก็กวดน้ำนะ หรือว่าแผส่วนบน่วนกับโนให้ตับยากพี่น้องไปบุญที่จริงเราก็อย่าไปคิดถึงแต่ว่ามันมีแค่เราต้องเอากับข้าวเอาสังฆทานไปถวายที่วัดถวายพระเท่านั้นนะเราเข้าใจคําว่าบุญไหมเราเข้าใจคําว่าบาปไหมด้วยจากแมบุญตัวบุญเป็นแบบไหนบาปเป็นแบบไหน บุญจริงๆนะแปลว่านะความสุขใจนะหรือการทำดีนั่นแหละคือการทำบุญนะทำดทีทุกกรณีเลยคือการทำบุญนะอะไรที่เรามองนะที่สังคมนีนะ้ทั่วไปมองว่าคือความดีนั่นแหละคือการทาบุญนะนะแต่ก็บางทีบางสังคมมันอาจจะ บูญนะแต่ผิดเพี้ยนไปไปบ้างนะบางคนที่ว่าทําบุญคือเอาเมื่อหอกระสบมาจามหอรสพมาแสดงนะอันนี้จะได้ให้บุญเยอะที่จริงมันขาดจากธรรมะในทางพุทธศาสนานะที่จริงทําบุญก็คือการทําความดีนะการทําความดีทําความดีให้กับตัวเราเองก็เป็นบุญทําความดีให้กับผู้อื่นก็เป็นบุญ ทำความดีให้กับโลกนี้นะก็เป็นบุญทั้งนั้นเลยนะถ้าโยมเข้าใจว่าทําความดีอันนั่นแหละคือบุญนะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อันนี้ก็คือบุญแล้วนะการที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เป็นบุญนะการที่เรารักษาศีลนี่ก็เป็นบุญนะบุญเนี่ยถ้าคนรู้จักบุญนะทําได้ทุกที่ทุกเวลาทุกโอกาสนะ เรามีมารยาทในการขับรถนะไม่คล้ยๆเห็นคนจะข้ามถนนเราก็เวกให้เขาข้ามถนนนะเราขับรถแบบมีมารยาทเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญเยอะนี่คือมันคือถ้าเราเข้าใจว่าบุญเนี่ยคือการทําความดีเนะี่ยเราจะทําได้ทุกที่จ <c oughs> นบาปคืออะไรบาปก็ตรงข้ามกัน คือการทําสิ่งที่ไม่ดีนะการทําความชั่วนั่นแหละคือการทําบาญง่ายๆนะบางคนกลัวบาญ ค, คิดว่าเช่นตึงว่า เ, เรากลัวคนจับได้เช่นเราจะขโ ม, มยของเขานะเราคิดว่าเราถ้าเราขโ ม, มยแบบไม่มีคนเห็นเนะี่ยมันจะไม่บาญเหร <c oughs> อก็บาญเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมไม่ใช่ว่า เราทำความชั่วเราไม่มีคนอื่นรู้ไม่มีคนอื่นเห็นมันจะไม่บาปบาปเหมือนกันนะเพียงแต่บางทีถ้าไม่มีคนเห็นอาจจะไม่ถูกตำรวจจับอาจจะไม่ไม่ติดคุกไม่ถูกปรับแต่มันก็เป็นบาปในใจของเราอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่บาปนะแต่บางทีอาจจะไม่ได้รับผลทันตาเห็นนะอันนี้มันก็เป็นบาปเหมือนกันกัน ที่เรามาศึกษานะธรรมะนะส่วนหนึ่งนะโยมถ้าโรมเข้าใจเรื่องบาปบุญคุณโทษเนะี่ยมันจะทำให้เราเกรงกลัวต่อความชั่วนะและอายต่อการทาบาปแล้วก็จะเป็นคนที่มันทั้งบุญกุศลนะเพราะว่านะมันมีแต่เนี่ยอะไร น, นะมีแต่บุญกับบาปเนะี่ยจะพาเราไปมีพาติด นะอีสานนะเขาพูดดีนะเขาบอกว่าสี่คนถามสามคนแหนะ่คนเดียวนั่งแค่สองคนทาไปเนะ่ยพูดแบบภาษาไทยให้เข้าใจนะสี่คนหามนะคืออะไรอคนะนที่หามเราก็คือธาตุสี่นะธาตุดินน้ำลมไฟนะหามเราไว้นะถ้าเราเปรียบเทียงเหมือนเรานั่งแค่เอนะแบบมีคนหามเราไว้เนะ่ ธาตุธาตุใดท่านหนึ่งนะเขาไม่หามเราเนี่ยตกแค่เลยนะใช่ไหมที่เราตายนะกำลังจะตายนั้ยังไม่ตายนะหรือคนอื่นตายก็นี่แหละธาตุใดท่านหนึ่งก็เสื่อมไปก่อนแล้วถ้าอื่นๆก็ตามไปเนี่ยอย่างคนตายธาตุไรหมดไปก่อนก็คือธาตุลมเนี่ยไม่หายใจเนี่ยธาตุลมหมดไปต่อไปสักพักหนึ่ง ถ้าเราไปจับมือจับแขนจับขาคนนั้ น, นก็จะเห็นว่าตัวเย็นธาตไฟก็หมดไปอืมต่อไปถ้าอยู่นานๆไปอีกเนะี่ยเราเก็บสรงไว้นานๆ น, นะถ้าเราไม่ขีดยาเนะี่ยือวถ้าเราฉีดยาก็จะเห็นผมก็จะแห้งธาตุนะ้านําก็จะหมดไปเนะีเหลือสุดท้ายแล้วธาตุดินก็ถ้าความดีกับดินก็ไม่เกินปีเนะีย เนื้อก็เปื่อยไปเหลือแต่ก็ดูไม่เกินสิปีนะก็ดูก็ย่อยสลายไปอันนี้คือธาตุทั้งสี่เนาะมันถามเราไว้นะถ้าธาตุทั้งสี่เนี่ยถ้าใดธาตุหนึงเนี่ยไม่หามเราไว้เนี่ยตายเลยนะไม่มีน้ําก็ตายนะไม่มีลมก็ตายแต่ดินเนี่ยยังมีอยู่เยอะแยะเนีคือมันธาตุสี่เนี่มันถามเราไว้ไม่มีอะไรหรอกนะ สี่คนหามนะสามคนแห่นะแห่ถ้าเราพูดถึงเหมือนมีคนแห่ร้องกอกนะเกีียวที่เรานั่งอยู่ที่แค่ที่เรานั่งเนี่ยนะคืออะไรคืออันนี้จังทุกขังคนตตาเนี่ยสามคนนี่แห่เราตลอดเวลาเลยนะไปไหนก็แห่ก็ล้องก็โชว์นะอันนี้จังคือควาไมวาไม่เที่ยงนะความไม่เที่ยงเนี่ย คือมันแสดงให้เราเห็นตลอดเวลาเลยนะใช่ไหมถ้าดูที่ชัดที่สุดนะความไม่เที่ยงคือใจนี่แหละใจเนี่ยมันแสดงความไม่เที่ยงยโยงดูมันจะคิดอะไรนะมันก็คิดได้นะคิดดีก็ได้คิดไม่ดีก็ได้นอนหลับมันยังฝันเลยในสิ่ง ไ, ไม่เที่ยงนะ อ, อ, อยากจะนอนหลับมันก็ยังฝันนะอยากจะนั่งสมาธิ มันก็กลับคิดอยากจะคิดงานก็คิดไม่ออกอ น, นี่ไม่เทียงอนะไรยนะคือมันไม่เป็นอย่างมันแสดงความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นนะในใจของเราอนะนะหรือถ้าเราสังเกตจากข้างนอกเขาก็น้อมมาสนใจเราก็ได้เช่นอุณภูมิอากาศในแต่และ ว, วันเนี่ยบางทีก็ไม่เที่ยงนะอย่างเมื่อวานเนาะโยงมาถึงก็ร้อนอากาศร้อน สักพักหนึ่งก็ฝนตกกบางคืนก็อากาศเย็นยนะมันมีตามดูดูนะในวันเดียวกันนะในี่คือในใจของเราเองก็เหมือนกันนะบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีในะในใจของเรามันแสดงมันแสดงความไม่เที่ยงให้เห็นอันนี้ถ้าเราดูตรงนี้ถูกนะเราจะเป็นทุกข์น้อยลงอ้อมันก็ธรรมาชาติบบนี้แหละแต่สังเกตไหมเวลาเราเป็นทุกข์ เป็นทุกเพราะอะรเพราะเราไปมองว่าคนอื่นเขาเปลี่ยนแปลงสมมติภรรยานะียเห็นสามีไปมีกิ๊กอ่าไปมีภรรยาใหม่ก็มองเขามองเป็นทุกข์อ่เพราะที่จริงเนี่ยเขาก็ไม่เที่ยงเลยเขาก็ไปชอบคนอื่นเขาก็เบื่อเราน้อยลงนี่ธรรมชาติใช่ไหมคนเราบางคนรักกันนะตอนรักก็ น้ำต้มผักก็ว่าหวาใช่ไหม <S <S <S นั่นคือมันก็มีความเปลี่ยนแปลงให้เห็นเราเป็นทุกข์เพราะเราไม่ยอมรับความไม่เที่ยงนี่แหละนะแต่จริงเขาไปทำบาปเขาไปผิดไปเป็นมีชู้ไปเป็นมีกินนะ๊กเนี่ยเขาไปปาปของเขาเองนะแต่เราเป็นทุกข์ก็แน่นอนเพราะเราไม่อยากให้มันเป็นนะไม่มีใครอยากให้มันเป็นหรอกแต่ถ้าเราเข้าใจว่าความไม่เที่ยงนะ เราก็จะไม่เป็นทุกข์มากเราก็ยอมรับได้มันก็ถ้ามันจะเป็นก็ต้องเป็นนะมันแสดงความไม่เที่ยงนะในใจเราเนี่ยแสดงความไม่เที่ยงให้เห็นเยอะข้างนอกนี่ก็แสดงความไม่เที่ยงให้เห็นเยอะเราเป็นทุกข์เพราะคิดว่าเขาจะเที่ยงไหมอนะรักกันก็ต้องรักกันตลอดนะเกิดแล้วก็ไม่ต้องตายจากกาันไปนะคิดว่าของจะต้องไม่หายนะไฟจะต้องไม่ไหม จนะ ต, ต้องไม่ท่วงนะมันบังคับไม่ได้นะเอนะนี่คือความไม่เที่ยงแสดงให้เราเห็นความเป็นทุกข์นะก็สะแสดงให้เราเห็นความเป็นทุกขนะ์เนี่ยถ้าดูที่กายก็จะชัดขึ้นเช่นเนี่แหละความง่วงนอนเป็นทุกข์ไหมความปวดหัวปวดขาปวดหลังเป็นทุกข์ไหมความหิวเป็นทุกข์ไหมเนะี่ยคือร่างกายก็สแสดงความเป็นทุกข์นะ เราอย่ว่าเราไม่ทุกเลยเนี่ยไม่ไม่ใช่นะมันทุกนะแต่เราแก้เอานีมันร้อนเราก็ไปอาบน้ํานีมันหิวแล้วก็ไปกินข้าวมันเหนื่อยแล้วก็ไปพักผ่อ น, น, น, นะนมีแต่ทุกเท่งนั้นเลยนะร่างกายมีแต่ทุกจะหาทุกจากร่างกายเนี่ยไม่มีนะมันหายใจเข้าหายใจเข้านา น, านๆกั้นลมหายใจไว้มันก็ไม่ได้นะ ก็ต้องหายใจออกนะมันแก้ทุกนะ่ะร่างกายเอมันแก้ทุกนะจิตใจเองถ้ามันคิดผิดนะวางใจคิดก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะอืมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็แสดงความไม่ใช่ตัวตนนะอนัตานะ่ะอนัตตาคือมันบังคับบัญชาไม่ได้นะ่ะอย่างความไม่เครียดกับอนัตานี่มันสัมพันธ์กันเยอะมากสือเราบังคับความคิดตัวเองก็ไม่ได้นะ การปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่การบังคับความคิดนะเช่นห้ามคิดไม่ดีอ่ห้ามไม่ให้มันคิดเลยบังคับไม่ได้แต่ให้เราดูอนัตตาก็คือว่ามันคิดของมันเองมันรู้สึกของมันเองมันชอบมันชังของมันเองแต่ถ้าเราดูอ่ะมันจะมันจะเห็นว่ามันมันเป็นความคิดเฉยมันไม่ใช่เราแต่ถ้าเราไม่มีสติอ่ะมันจะเป็นเรา เราคิดไม่ดีเราเป็นทุกข์นะเราเป็นสุขนะแต่ถ้าเรามีสตินะจะเห็นเห็นเป็นอาการเฉยๆนะเหมือนเราได้ไปดูอาจารย์ตะพลเมื่อวานนะ<ม>เห็นไหมอาการของกายเป็นทุกข์แต่ใจไม่เป็นทุกขนะ์จิตสดใสแม้กายวิการแยกได้นะ ลาออกจากความพิการได้แม้สุดท้ายตอนหนังจะเป็นมะเด็งเนะี่ยร่างกายก็เป็นทุกข์นะบังคับไม่ได้นะีแต่ใจก็ปล่อยวางได้อันนี้คือภ า, ภาวะอนัตตาคือเราไม่สามารถที่จะไปบังคับบัญชาสิ่งอื่นได้นะแต่สิ่งที่เราจะฝึกได้ให้มันไม่เป็นทุกข์ก็คือฝึกที่ใจเนาะฝึกที่ใจของเราอันเนี้สามคนแห่นะ อันนี้จำทุกขังอนัตตาเนี่ยแฮ่เราตลอดชีวิตเลยนะแต่เวลาเราก็คิดนะเราก็คิดอยากจะให้ทุกอย่างมันเที่ยงเที่ยงก็คือที่จริงมันก็ ม, มีอะไรนะมีแต่เที่ยงวันกับเที่ยงคืนนะนั่นเดียวนะดัง น, นั้นก็ไม่เที่ยงนั่นแหละนะอืมเราอยากให้ทุกอย่างมันเป็นสุขนะเราอยากให้ทุกอย่างมันบางคับ มันอยู่ในบังคับบัญชาในการควบคุมของเราเราไปทำสิ่งที่มันผิดธรรมชาตินั้นะปฏิบัติธรรมจริงๆนะก็ไม่ใช่ว่าไปเปลี่ยนแปลงเพืนั้นนะอย่างบางคนคิดว่าปฏิบัติธรรมแล้วจะทำให้จิตมันเที่ยงให้มันนิ่งให้มันสงบอย่างเดียวนะฝึกปฏิบัติธรรมแล้วจะต้องทำให้จิตมันมีแต่ความสุขอย่ยงเดียวไม่ต้องมีความทุกข์เลยนะ ฝึกปฏิบัติธรรมแล้วต้องให้มันบังคับเนะี่ยควบคุมความคิดควบคุมอารมณ์ควบคุมเหตุปัจจัยต่างๆได้มันคิดธรรมชาตินะแตป่ปฏิบัติธรรมจริงคือเราไม่ไปบังคับมันนะอแต่เราไม่ไปเป็นกับมันนะอมาต่างกัน น, ะนี่นนะนี่คือสามคนแห่นะคนเดียวคนเดียวนั่งแค่เนะี่ยต่อได้ไหย คนเดียวนั่งแค่ไทยนั่งแค่ฮะตัวเราเองตัวเาเนี่คืออะไรจิตอะใจจิตอคนเดียวนั่งแค่เป็จิตจิตใจนะอืแต่มันเป็นตัวเราจริงหรือเปล่าใจเนี่ย <c oughs> ถ้ามันเป็นตัวเราจริงเราต้องบังคับมันได้ไหม <c oughs> เราบังคับใจเราได้ไหม สมมติโยมบอกว่าเป็นรถเรานะเรจะบั ง, บงคับได้น ะ, ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะเร่งจะเบรกยังพอได้นะแต่จริงมันก็ไม่ใช่เราจริงๆรถนะพอพอถึงจุดหนึ่งมันก็เสื่อมนะจะเบรกก็เบรกไม่ได้จะเร่งก็เร่งไม่ขึ้นใช่ไหมเนีขากาบอกเป็นของเราจริงๆนะเหมือนร่างกายเนอะเมื่อร่างกายเบียดเหมือนรถยนต์เนี่ยมันบังคับไม่ได้นะคือมันก็บังคับได้ในระดับหนึ่ง แต่บังคับไม่ได้ทั้งหมดนะหรือแม้แต่ว่าวาจิตเหมือนกับเป็นเราเหมือนถ้าเปรียบเทียบเหมือนคนขับนะก็คือจิตนะคนเดียวนั่นแค่ก็คือจิตคือใจนะนะเหมือนกับคนขับรถนะบางทีไม่แต่ใจไม่แต่คนขับรถบางทีมันก็มันก็อยู่ที่ว่าถ้าฝึกดีนะรถก็ปลอดภัยถ้าประมาท นะขับไม่ดีก็อันตรายต้องรถต้องคนที่นั่งใช่ไหมใจเราเองก็เหมือนกันนะพูดง่ายๆว่าใจเราถ้าใจมันไม่ดีใจมันไม่เคยฝึกเนี่ยมันก็จะพาชีวิตเนี่ยไปในทางไม่ดีแต่ถ้าใจฝึกดีนะก็จะพาชีวิตเป็นทางที่ดเีเหมือนกับคนขับรถดีนะก็พารถไปถึงจุดหมายปทางพาคนโดยสาร ไปสู่จุดหมายไปทางที่ดีแต่ถ้าขับไม่ดีนะก็พาตกเหวพาชนอหรือว่าขณะที่นั่งก็ไม่สบายอันนี้คือใจนะเป็นคนนั่งแค่คือใจเป็นประธานใจเป็นใหญ่นะทุกอย่างเนี่ยมีใจเป็นใหญ่สำคัญที่สุดคือใจนะสุดท้ายละสองคนพาไปอะไรพาไปโ ส, สี่คนสคนหามสามคนแหคนเดียวนั่งแค่สองคนพาไปบุญกับบาปอ่าถูกต้องครับบุญกับบาปนะพาเราไปนะถ้าตายไปเนี่ยก็บุญหรือบาปพาไปนก็แล้วแต่แล้วแต่กรรมจะจำแนกไปนะนี่คือบุญกับบาปนะพาเราไปในพบภูมิต่างๆมีพาตินึงเขาบอกแล้วนบอก เงินทองนะส่งถึงโรงพยาบาลนะลูกหลานส่งถึงเชิงตะกรบุญกุศลส่งถึงชาติหน้าภาวนาส่งถึงวิพาณเนี่ยนะบุญกับบาสนะก็คือบุญบุญกุศลหรือว่าบาสนะี่แหละก็จะพาเราไปถึงชาติคําว่าชาติคือการเกิดการเกิดนะทุกคราวนะเกิดในภพน้อยภพใหญ่นะ พน้อยคือเกิดในจิตนี่แหละโยมเนะขาบอก น, น, รนรกสวรค์ก็อยู่ในใจนี่แหละคือมันเกิดเป็นสุขเป็นทุกข์ในใจขึ้นนะแต่ถ้าพบใหญ่ก็เกิดเป็นเปตเป็นเดรัจฉานเป็นสนรกเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรมนะคือไม่เกิดเลยเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่เกิดเลยอันนี้คือเกิดในพบน้อยพบใหญ่นะที่เราจะเวียนหายตายเกิดแบบนี้ ทำแล้วทำเาเนละ่าเนี่ยให้เราพิจารณาดีๆนะบุญก็เราสร้างเองเนี่แหละบาปก็เราสร้างเองนะแต่บุญกุศลนะเราก็สามารถอุทิศให้กับญาติี่น้องของเราได้บาเเองถ้าเราทำนะก็ใช่ว่าคนใกล้ตัวเราจะไม่จะไม่รับนโยมนะเช่นเอาง่ายๆสมมติเรา เราไปทำผิดกฎหมายได้ทกอย่างนะเราติดคุกหรือเราต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเนนะี่ยผู้ครองของเรานะยก็ต้องไปเสียเงินค่าปรับก็ต้องเสียเวลาใช่ต้องไปเยี่ยมเราเนะี่ยเราทำบาปคนเดียวนะแต่คนอื่นก็เป็นทุกข์ตามเราไปด้วยเราเองก็เป็นทุกข์คนอื่นก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเราทำความดีทำบุญเรามีความสุขคนรอบข้างเราก็มีความสุขเนี่ย นั้นสิ่งที่เราปฏิบัติทำนะเราอาจจะเริ่มต้นที่ตัวเราเราเองนะที่การทําบุญให้กับตัวเราเองนะทำความดีให้กับตัวเราเองแต่มันก็จะส่งผลให้กับคนรอบข้างของเรานะมีความสุขนะหรือบุญกุศลก็ยังสามารถคระตให้กับญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วก็ได้นะนะวนะันนี้นะเป็นวันพระนะเป็นวันซึ้นสิบห้าค่ำนะเดือนสิบ ถือว่าเป็นวันที่ตามประเภท น, นี้ก็คือการทำบุญใหญ่ครั้งหนึ่งนะเราเองก็ถือว่ามาทำบุญให้กับตัวเราเองนะนะอย่ารอว่าตายแล้วร้องให้ญาติพี่น้องทำบุญให้นะอันนั้นจะได้รับหรืเป่าไม่รู้นะแต่เราทำบุญให้กับตัวเราเองนั่นแหละนะในวันนี้นะให้ดีที่สุดนะแล้วก็เราก็เมื่อทำบุญแล้วนะทำความดีแล้วก็ ขาน้อมจิตอดทิพบุญกุศลของเราให้กับญาติพี่น้องไปด้วยนะส่วนเขาจะได้รับหรือไม่ได้รับเนะ่ะก็เป็นเรื่องเรื่องตามเหตุตามปัจจัยของเขาละนะแต่ก็อย่าไปคิดว่าเขาไม่ได้รับแล้วบุญเราจะหายไปนะบุญไม่เคยหายนะไม่เหมือนเงินทองไม่เหมือนเงินทองเอาให้กอดื่อแล้วเงินเราถึงน้อยลงแต่บุญกุศลนนะ่ยยิ่งให้ยิ่งได้ ยิ่งยิ่งให้เนี่ยยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆนะอย่าไปคิดว่ามันจะหายไปไหนเนาะก็ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะ